โอตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมานสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรูอริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นต้นดังนี้ อปมาโตอยังคันโทยอยวายังตะครจันดนีโยจสศีลวัดังคันโทวัดีเดเวสุตตโมกลิ่นเหล่านี้คือกลิ่นกฤษ่นสนและกลิ่นจันทร์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเท พ, พเจ้าและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายใ น, น บ, บนัดนี้อัตฉรมภาพจะได้นำประวัติของพระมหากัสสปะเทระมาแสดงให้แก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อ ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในความดีและบา ร, รมีที่ท่านได้กระทำมาพระมหาเถระรูปนี้มีประวัติที่งดงามอย่างยิ่งสมควรแก่การเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าโดยแท้สมควรแก่การที่จะเรียกว่าเป็นมหาบุรุษบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณความดีของท่าน ถึงแม้เป็นเพียงสาวกก็ยังยิ่งใหญ่กว่าศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ตามที่ได้แสดงไว้ในคราวที่แล้วว่าเมื่อกับที่91นับถอยไปจากกับนี้เป็นพุทธการของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าอุบาสกเวเทหะ ซึ่งก็เป็นพระมหากัสปะที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในตระกูลของพราหมณ์แก่แห่งหนึ่งในยุคนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขมะมิคาัทยวันทรงแสดงธรรมเจ็ดปีต่อหนึ่งครั้งเมื่อวันกำหนดที่จะทรงแสดงธรรมเวียนมาถึงความโกลาหลนใหญ่ คือเสียงกึกก้องยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในโลกเพราะทั้งหมู่เทวดาและมวลมนุษย์ก็ช่วยกันเป่าประกาศไปทั่วชมพูทวีปให้ทราบว่าในวันนั้นวันนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าจะแสดงธรรมด้วยว่าการฟังธรรมหาฟังได้ยากยิ่งความคิดอย่างนี้นะ่ะเป็นความคิดที่หาได้ยากสำหรับคนในสมัยนี้และก็ คนในยุคหลังๆเราอีกเนี่ยคคงจะคิดได้ยากเพราะว่าเขาไม่รู้ค่าของพระพุทธเจ้าไม่รู้ค่าของพระธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะคิดว่าการฟังธรรมเป็นของหายากเนี่ยจึงไม่เกิดเราว่าสิ่งอะไรที่เราหาได้ยากที่สุดในชีวิตของเรานะไม่เทียบหนึ่งในแสนล้านของพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราจะได้ยินได้ฟัง เพราะว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุท ธ, ธเจ้านั้นแสนยากการบังเกิดของบุคคลทั่วๆไปในวัฏสงสารนี้ก็เป็นการเกิดของปุถุชนโกลนันแนนการบังเกิดของบุคคลทั่วๆไปในวัฏสงสารนี้ก็เป็นการเกิดของปุถุชนคนหนัก <ST AR> ที่ที่ควรจะรู้ได้ แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่บำเพ็ญบารมีนานแสนนานจึงจะได้ตัดสรู้ในวัตสงสารซึ่งไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายของเราที่จะได้พบพระพุทธเจ้าแสนยากแล้วที่จะได้ฟังธรรมแสนยากเพราะเราจะต้องรู้จากพระพุทธเจ้าเสียก่อนคือรู้คุณคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านว่าเกิดได้ยากเสียก่อน เราจึงจะรู้ค่าของพระธรรมที่เราจะได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์แต่ในสมัยนั้นหมู่เทวดาและมนุษย์นั้นมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดมีค่าสูงสุดแก่ชีวิตของเขาเขาก็พากันมาฟังธรรมนะก็เปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในโลกมืดกันเนี่ยไม่รู้ค่าของแสงสว่าง เราก็จะไม่รู้หรอกว่าแสงสว่างก็ะทาให้เรามีประโยชน์อย่างไรต่อเมื่อไรเราได้เห็นแสงสว่างเราได้อาศัยแสงสว่างเห็นสิ่งต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงเราถึงจะรู้ค่าชันใดก็ดีเราจะต้องฟังธรรมของพุทธเจ้านั่นแหละและเมื่อพระธรรมนั้นให้ปัญญาแก่เราปัญญาที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละจะทาให้เรารู้เลยว่าประโยชน์แท้จริงของชีวิตเนี่ยที่เรียกว่ากุศลนนะ่ะ เป็นประโยชน์จริงๆอย่างไรทำให้ความสุขเป็นที่พึ่งนำเราพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะแต่นี่เป็นเรื่องยากเราจะเห็นว่าเรื่องยากของเราคือความร่ารวยหรือความสาเร็จอื่นๆที่เราคิดเอานะ่มันไม่ใช่ของได้ยากอะไรเราทำบุญนิดๆหน่อยๆหรือทำความเพียรอะไรนี้นิดหน่อยก็จะสามารถสำเร็จได้ แต่ความเพียรความอุตสาหะความเสียสละที่พระพุทธจเจ้าบำเพ็ญบารมีแล้วความเพียรความอุตสาหะของเราที่ทาบุญแล้วจะได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยยากไม่ใช่ของที่จะเกิดมาประจวบกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นพรามผู้นี้ได้ฟังคำประกาศของเทวดาและมนุษย์แล้ว ก็มีปีติสนใจเป็นล้นพ้นเนื่องจากว่าสิ่งนี้จะหาฝังได้ยากไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ที่จะหาฝังได้ยากนะในแสนกับเนี่ก็หาฝังได้ยากเพราะนานๆพระเถรเจ้าจะเกิดขึ้นสักองค์หนึ่งบางทีก็ไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้มีความอึดอัดใจอยู่ เพราะว่าทั้งพราหมณ์และนางพราหมณีผู้ภรรยามีผ้าห่มอยู่เพียงผืนเดียวเขาเป็นคนจนจึงถูกเรียกว่าพราหมณ์จุลเกศสาดกหรือแปลว่าพราหมณ์ผ้าผืนเดียวจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในเมืองนั้นถ้าหากว่าพวกพราหมณ์ก็มีกิจประชุมเกิดขึ้นพราหมณ์ก็ไปไประชุม แล้วนางพรามณีต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีผ้านุ่งถ้าพานางพรามณีมีกิจประชุมบ้างนางพรามณีก็ไปร่วมประชุมสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะเหตุอะไรเพราะว่าต้องผลัดกันใช้ผ้าห่มพื้นเดียวนั้นห่มไปเข้าประชุมตึงต้องไปกันคนละคราวไม่มีโอกาสที่จะไปพร้อมกันได้เลยในวันที่จะไปฟังพระธรรมเทศนา พรามสามีจึงถามนางพราหมณีว่าเธอจะไปฟังธรรมในเวลากลางคืนหรือกลางวันเล่านางตอบว่าดิฉันเป็นหญิงไม่อาจจะไปฟังในเวลากลางคืนได้จะไปฟังก็แต่ในเวลากลางวันเท่านั้นนางพรามณีบอกแก่สามีแล้วก็ให้สามีอยู่เฝ้าบ้านตนเองก็ห่มผ้าผืนนั่นไปเขมิคะทายวันพร้อมกับอุบาสิกาในเวลากลางวัน เมื่อไปถึงสถานที่ฟังธรรมถวายบังคมพระวิปัสสีสัมมาสัพพุทเจ้าแล้วนั่งลงในที่สมควรแก่ตนพอฟังธรรมแล้วจึงกลับมาบ้านตกถึงเวลากลางคืนพราหมณ์ก็ให้นางพราหมณีอยู่ที่บ้านแล้วห่มผ้าผืนนั้นไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระวิหารก็แสดงว่าพระสัมมาสัพพุทเธียแสดงธรรมหลายเวลา นน เ, เพราะว่า7ปีถึงแสดงครั้งหนึ่งนาการครั้งนั้นพระวิบัติสีพุทธเจ้ากำลังประทับนั่งอยู่บนอลงกตธรรมาตในถ้ำกลางประชุมชนทรงจับพัดอันวิจิตแสดงธรรมอยู่รามผู้นั้นขณะนั่งฟังธรรมอยู่ภายนอกประชุมชนก็มีปีติห้าประการปีติทั้งห้าประการเลยคือปีติตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนปีติ โลดผนจนปีติที่ตัวลอยแล้วก็ปีติที่แผสซ่านไปทั่วความอิ่มใจอย่างแรง5้าอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแผสซ่านไปทั่วร่างกายในปฐมยามคือในยามแรกความคิดที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นแก่พรามนั้นว่าโอ้ทำนี้ประเสริฐเหลือเกินนะเราฟังแล้วเรามีความสุขมีความอิ่มใจ จึงคิดว่าเราจะพับผ้าหม่มผืนนี้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงตัดสรุธรรมแล้วทรงพระกรุณาแสดงธรรมเขาคิดอย่างนั้นนี่เป็นความคิดให้ทานนะเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคือในพระปัญญาที่คุณ แล้วก็เลื่อมใสในคุณอันประเสริฐของพระธรรมพระธรรมอันนี้ก็หมายถึงโลกุตรธรรมคือมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยแต่พอคิดอย่างนี้แล้วความตนีที่เป็นตัวอกุศลอันแสดงโทษประมาณตั้งพันก็เกิดขึ้นแก่พรามนั้นว่าคือตัวตนีก็เป็นตัวที่ จะทำลายประโยชน์นะทำลายการให้ทานของพรมผู้นี้เกิดขึ้นเลยพอเขาคิดเรื่องว่าจะให้เสร็จความตณีก็เกิดขึ้นว่าไอ้การให้นะมีโทษคือเขาคิดว่านางพรามณีกับเรามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวเท่านั้นเราทั้งสองไม่ได้ห่มผ้าก็ไม่อาจที่จะออกไปนอกบ้านได้ความคิดเช่นนี้ เกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุผลดีกว่าคือไอ้ความเจตนีนั่นแหละก็ทำให้ไม่สามารถจะถวายได้คือคือพอคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องถวายโอ้โหพระพุทธเจ้ามีความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ผ้าผืนนี้ผืนเดียวอะที่หม่มแล้วก็มีผ้านุ่งอีกผืนหนึ่งเราต้องถวายละเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐสุดเหลือเกินคุณของพระธรรม ก็ประเสริฐสุดเช่นกันเราได้ฟังแล้วเกิดความสุขเราขอบูชาคุณนั้นนั้นแต่เพราะคิดถึงตัวเองขึ้นมาในความตณีมันจะคิดถึงตัวเองขึ้นมาและคิดถึงภรรยาของเราขึ้นมามันก็กลัวว่าจะเสียประโยชน์แก่ตัวเราเนี่ยความคิดตณีเป็นอย่างนี้คือคิดเอาตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ย จะมาได้ใช้สมบัติของตัวเองเอาสมบัตินั้นนะเป็นของสำคัญของตัวเองที่สุดตอนีมันถือว่าไอ้สิ่งนี้มันสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองมันก็คิดอย่างนี้นี่เราเอาตัวเองขึ้นมาเป็นที่ตั้งเ้วเป็นอย่างนี้ทุกทีคือเอาไอ้ความเห็นผิดที่เรียกว่าสกาญาติทิเอามาตั้งว่านี่เป็นตัวเราไอ้ความโลภมันก็เกิดมันก็รักตัว แล้วนี่ภรรยาเราก็รักนะภรรยาของไอโรภะมันอนะไอตัวเราก็ไอสักกายยิธิมันว่านะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทั้งนั้นแหละตัวเราจะมีที่ไหนละ่ะก็มีแต่ขันห้าซึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแต่ว่าไอความเห็นผิดมันว่าเป็นให้ปัญญามันก็หายก็หายไป ศรัทธาก็หายเพราะฉะนั้นจึงเกิดความตนหนีหวงทันทีว่าจักไม่ให้อนนี้ธรรมชาติเหล่านี้เราต้องรู้นะมันเกิดอยู่ประจำไม่ใช่ว่าเกิดอยู่เฉพาะแต่พรามผูน้นี้ใครนะมีของอยู่อย่างเดียวแล้วเป็นของมีค่าเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้มันคิดถึงตัวเองเว้นไวแ้แต่ว่าอย่าไปคิดถึงตัวเองหรือคิดก็คิดให้มันเป็น เช่นคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรนี่เอาผ้าผืนนี้มาหม่มมันก็ยิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเกิดขึ้นก็เป็นของสกรปรกเปื่อยแตาไปนําไปบูชาคุณของผู้ประเสริฐดีกว่าอย่างนี้ละอาจจะอาจจะสละได้ง่ายแต่ว่าพอคิดถึงตัวแล้วโดยเฉพาะคิดถึงภรรยาก็ไม่อยากจะให้แล้วเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวทีนี้ถ้าให้ไปแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านมันกลัวความทุกข์อย่างนี้ คนตนนีกลัวทุกข์กลัวจนกลัวไม่มีก็เลยไม่มีอยู่อย่างนั้นก็เลยทุกข์อยู่อย่างนั้นนะพอผ่านปฐ ม, มยามย่างเข้ามัชิมายามยามกลางพรามก็มีความคิดที่จะถวายผ้าห่มอีกเพราะว่าฟังธรรมไปก็เกิดปัญญาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมนั้นอีกแต่แล้วความคิดก็ถูกมัจฉิริยะเข้ามาตัดรอนอีก มันก็ต่อสู้กันนะนะทั้งความเสียสละกับความตนีเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันตอนนี้มัชชริยะมีกำลังมากกว่ า, า, กกวาท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับถูกฆ่าศึกทาลายกองทัพให้ย่อยยับไปเลยไม่ยอมถวายอีกถวายไม่ได้อีกแล้วเอถ้าให้ไปแล้วเนี่ยภรรยาเราอาจจะว่าเราก็ได้ว่าทาไมไปถวายแล้วทีนี้จะทายังไงกันละ่ะ ไม่มีผ้าแล้วออกจากบ้านไปไม่ได้เลยยิ่งเดือดร้อนใหญ่เนี่ยคือความคิดของความตนีมันจะคิดไปในรูปแบบของมันว่าให้ไปแล้วจะเสียประโยชน์ไม่ให้เลยถึงจะได้ประโยชน์นี่เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวนะนะพอล่วงมัชชิมายามไปถึงปัตชิมายามความปีติยินดีก็กเกิดขึ้นอีกในการที่จะได้ถวายผ้าหม่ม ด้วยความศรัทธาเกิดขึ้นอีกแล้วแก่พราหมณ์นั้นครั้งนี้พราหมณ์คิดตัดใจลงไปว่าเขาเรียกว่าอธิโมกนะอธิโมกตัดใจเด็ดขาดเลยอันประกอบด้วยศรัทธาว่าผ้าห่มของเราทั้งสองจะมีใช้หรือไม่มีก็ตามเอาไว้แก้ไขในภายหลังจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจะยอมละคิดดังนี้แล้วจึงเปื้องผ้าห่มและพับให้ดี แล้วนำไปวางลงในที่ใกล้พะยุคนบาทของพระวิปัสสีพระพุทธสัมมาสัพพุทธเ จ, จ้าแล้วก็ปรบมือขึ้นสามครั้งทั้งยังเป่งวาจาดังๆขึ้นอีกสามครั้งว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเป่งเสียงดีใจเลยนะว่าถวายแล้วเนี่ยในสถานที่ประชุมฟังธรรมนั้น ก็มีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเจ้าพันธุมราชประทับนั่งร่วมฟังธรรมอยู่ด้วยที่ภายในม่านหลังธรรมราชธรรมดาว่าเสียงที่ใครพูดว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ ว, ลวดังนี้ย่อมไม่เป็นที่พอพระหฤทัยของพระราชาเป็นอย่างยิ่งพระราชาเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาพูดชนะแล้วคล้ายๆว่าจะมาชนะตัวเองมาเหนือตัวเองเพราะพระราชาเนี่ยชอบแต่ชัยชนะเหนือคนอื่นหมด คือมีมา n ะความถือตัวจัดอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าพันธุมาราบก็ไม่ชอบใจจึงตัดสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งว่าจงไปถามพรามผู้นั้นดูทีเขากล่าวว่าอะไรแต่กี้นี้พรามนั้นเมื่อได้ฟังราชบุรุษถามก็ตอบชี้แจงเหตุผลไปว่าพรามนีเป็นคนมีปัญญานะชนทั้งหลายขึ้นยานพาหณนะมีช้างเป็นต้น สวมเกราะและถืออาวุธต่างๆมีดาบเป็นต้นเพื่อออกพจนฆ่าศึกเสนาของผู้อื่นจนได้ชัยชนะการชนะนั้นไม่น่าอัศจรรย์ชนะคนอื่นไปฆ่าคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นของหน้าสารเสริญหรือว่าเป็นของหน้ายกย่องเป็นของหาได้ยากหรือหน้าพิศวงเลยนะี่ย ส่วนข้าพ เ, เจ้าได้ย่ำยีหัวใจที่ตะหนีเหมือนบุคคลใช้ไม้ค้อนตีศรีรษะของโคโกงที่เดินตามมาข้างหลังให้หนีไปแล้วข้าพ เ, เจ้าได้ถวายผ้าห่มแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าการชนะหัวใจที่ตะหนีนี้แหละเป็นการอัศจรรย์มากสำหรับข้าพ เ, เจ้าก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาแพ้มาสองครั้งแล้วครั้งแรกก็แพ้ ในปฐมยามมัชชิมยามก็แพ้อีกปัตชิมยามนี่รู้แล้วว่าจะสว่างถ้าไม่ได้ถวายก็หมดโอกาสเพราะนั้นตัดสินใจเด็ดขาดเลยเขาชนะความตนีของเขาเองโดยเหมือนกับว่าไอ้วัวที่มันจะวิ่งมาขิดที่หลังเนี่ยเขาก็เอาค้อนเนี่ยตีเข้าที่ศีรษะวัววัวมันก็เลยต้องหนีไป ชั้นใดก็ดีไอ้ความตหนีเหมือนวัวมาขวิดเขาแพ้ล้มไปทุกทีในที่สุดก็ตัดสินใจสู้นะเพราะฉะนั้นการที่ชนะใ้ความตหนีได้เนี่ยมันเป็นการอัศจรรย์มากสําหรับข้าพเจ้าในโลกนี้นะมีใครชนะความตหนีได้บ้างชนะจริงๆนะก็มีแต่พระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเท่านั้นชนะยากนะความตหนีเนี่ย รชนะเด็ดขาดแล้วยิ่งยากเพราะว่าการประหารกิเลสให้ให้เด็ดขาดสิ้นเชิงด้วยแม้มรที่หนึ่งอะ่ะคือโสดาปฏิมรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นการแทงตลอดได้ยากซึ่งอริยสัจสี่เราแทงตลอดคือรู้ตลอดได้ยากว่ามัชริยะเนี่ยมันมันให้โทษให้ทุกข์อย่างไรเนี่ยยากและที่จะไป มันคือมีปัญญาอะนะที่จะเห็นทุกข์ที่มัชชริยะมันนำมาให้แกเราเนี่ยมากมายแค่ไหนเนี่ยยากเหลือกเกินคนมีความตหีเนี่ยก็จะได้วิบากทุกข์ในอบายภูมิคือนรกเนเล่าเนี่ยไปด้วยความตหีนี่ยไม่รู้เท่าไหร่การที่จะไปมีปัญญารู้อุปาทานขันห้า เป็นทุกข์อันเกิดจากความตนีเกิดจากอากุศลกรรมที่มีความตนีชักนำไปเนี่ยยากแต่พระโสดาบันท่านบําเพ็ญบารมีมาก็สามารถแทงตลอดได้ซึ่งอริยสัจสี่ฆ่าความตนหนีได้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายในโลกที่ยังแพ้ความตนนีอยู่เนี่ยไม่น่าจะเรียกว่าเป็นคน อัศจรรย์หรือเป็นคนชนะแล้วชนะอะไรได้เลยเพราะความตันหนีซึ่งจริงๆมันก็ให้โทษนะเราตันหนี่แล้วมันก็ไม่สบายใจเกิดความโทมนัสอึดอัดใจมีโทสะประกอบแต่เราไปเห็นว่ามันมันไม่มีโทษก็มีเออน้อตันหนีนี่ดีเราตันหนี่ไว้เราจรึงไม่ไม่ขัดสนไม่อยากอะไรเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดเป็นโมหะ ที่มาครอบงามจิตใจแต่ใครมีปัญญาเอาชนะได้เนี่ยจริงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์น่ายกย่องแต่พรามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าเขาชนะไอ้ความตันหีที่กลุ่มลุมทำร้ายจิตใจเขาอยู่ทำให้เขาไม่สามารถจะทำบุญได้เนี่ยบัดนี้เขาชนะได้แล้วเขาจึงปลื้มใจว่านี่เป็นของอัศจรรย์มากสำหรับชีวิตของเรานี่ถ้าเราใช้หลักการอันนี้เนี่ยไปดำเนินชีวิตได้ก็จะดี ว่าชีวิตเราเนี่ยจะเป็นของอัศจรรย์ก็เพราะพยายามชนะไอ้อากุศลที่มันเกิดขึ้นเอาแค่ความจะหนีนี้ก่อนก็ได้ว่าเดิมก็แพ้มันมาอยู่เรื่อยเอาแล้ววันนี้ขอชนะความจะหนีบ้างก็จะให้ทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าไอ้ความจะหนีมันไปหวงในวัตถุสิ่งของใดเป็นพิเศษแล้วเราให้ได้นะ่ะยิ่งเป็นการชนะอันยิ่งใหญ่เลย เพราะนั้นเขาก็พูดความจริงให้ฟังนะส่วนมากแล้วคนในโลกนี้ก็ไปยกย่องคนตนีนะคนไหนมีทรัพสมบัติมากตนีไว้ได้มากก็ไปยกย่องเขาว่าน่ะเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนทันสมัยก้าวหน้ามีความตนีีทรัพย์สินสิ่งของเอาไว้ได้มากๆ ก็คนเสียสละนะนะหนึ่งคนเนี่ยมันดีกว่าคนตนหนีแสนล้านนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นคนตนหนีแล้วมันจะลบลาค่าฟันกันง่ายที่สุดเลยเหตุที่เราทะเลาะกันเนี่ยทั้งเทวดามนุษย์เนี่ยเกิดจากความตันหนีเนี่ยไม่ใช่น้อยนะนอกนี้ออกจากนั้นก็ยังมีความอิจฉาลิสยากันอีก ราชบุรุษก็กลับไปกราบทูลเรื่องของพรามนั้นให้พระเจ้าพันธุมราชทรงทราบในประวัติของพระมหากัตริยเนี่ยอัศจรรย์ตั้งแต่บำเพ็ญบารมีมาทีเดียวพระราชาจึงตัดว่านี่แนะ่พนายพวกเราไม่รู้จักสิ่งที่สมควรกระทาแด่พระทศพลแต่พรามเนี่รู้จักอานี่พระราชานี่คิดถึงตัวเองเลยว่า เอ้เราทําไมนะีไม่คิดบูชาพระพุทธเจ้าทั้งๆที่เราก็มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่พราหมณ์นี่กลับมีปัญญารู้คุณพระพุทธเจ้าและบูชาเพราะฉะนั้นพระราชาตัดดังนี้แล้วก็เลื่อมใสนะเลื่อมใสในความอัศจรรย์ของพรามณ์นะเราลองคิดดูเรามีผ้า พ, พื้นเดียวแล้วเราจะใจถึงแบบพราหมณ์นี้หรือเปล่า เราให้มีพื้นเดียวถ้าจริงๆอ่ะจะกล้าให้หรือเปล่าไม่ต้องไปมีภรรยาด้วยเรามีตัวเราเนี่ยแหละคนเดียวเนี่ยแหละแล้วก็มีผ้าอยู่พื้นเดียวแล้วไปฟังธรรมแล้วจะกล้าถวายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระราชาเนี่ยก็ฉลาดก็รู้เลยว่าเล่าเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําแต่พระทศพลแต่พราหมณ์เนี่ยเขาทาแล้วเพราะฉะนั้นจึงส่งผ้า หคู่ไปพระราชทานแก่พราหมณ์นั้นตอนแรกก็โกรธตอนนี้ก็มาเลื่อมใสพราหมณ์ซะแล้วพอเลื่อมใสแล้วไอ้ความเลื่อมใสนั้นก็เลยอยากจะบูชาความดีของพราหมณ์จึงเอาผ้าสองผืนไปถวายให้แก่พราหมณ์นั้นนะพราหมณ์เห็นผ้าที่พระราชทานแล้วคิดว่าเขาก็คิดอีกนะคือไอ้ความคิดเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จิตจิตเนี่ยมันมีหน้าที่คิดนะมันไปเห็นอารมณ์อะไรแล้วมันก็จะคิด แล้วยังมีตัวอื่นอีกที่จะช่วยกันคิดนะ่ะยังมีตัววิตกวิจารณ์มีตัวศรัทธาอะไรที่จะช่วยคิดมณสิการอะไรได้แต่ว่าเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเวลาที่เรานั่งนิ่งอยู่พระราชาก็ไม่ทรงยอมพระราชทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่เราที่เรานั่งเฉยเฉยพระราชาก็ไม่เห็นจะมาให้อะไรแก่เราเลยต่อเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ จึงได้พระราชทานเราจะถือเอาประโยชน์อะไรจากผ้าที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระพุทธคุณที่เราถวายทานบูตคือถวายผ้าบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าตอนเรานั่งเฉยๆอยู่่พระราชาไม่เคยให้แต่พอเราถวายแล้วพระราชาให้ผ้าคู่หนึ่งเป็นรางวัล เราเนี่ยได้ผ้านี้เพราะพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ได้เพราะเหตุอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะถือเอาประโยชน์จากผ้านี้พิจณาเห็นเช่นนี้แล้วจึงถวายคู่ผ้านั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอีกนะถวายเพิ่มไปเลยคือเขาก็ฉลาดคิดถ้าเป็นเราก็เออคู่นี้ก็ดีแล้วจะไปให้ภรรยาสักผืนหนึ่งเราได้อีกผืนหนึ่งนะ พระราชาทรงทราบถึงการกระทําของพราหมณ์ก็เลื่อมใสอีกว่าโอ้พราหมณ์นี้ไม่ยอมใช้ผ้าของตัวเองนะกลับเอาผ้าที่ให้ไปบูชาพุทธเจ้าจึงพระราชทานผ้าแก่พราหมณ์เพิ่มเป็นสองคู่พราหมณ์รับผ้าที่พระราชทานแล้วก็ถวายบูชาแด่พระมีพาะเจ้าอีกทั้งหมดพระราชาพระราชทานผ้าเพิ่มเป็นสี่คู่ แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดอย่างเดิมแล้วถวายอีกว่าเนี่ยพราะเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราบูชาคุณพระราชาจึงเลื่อมใสเรานั่นก็ยิ่งเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคือว่าทําบุญก็ได้ผลเลยใช่ไหมบูชาแล้วก็ได้ผลเลยคือเมื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้การบูชาจากพระราชาเลยก็ถวายต่อไปอีกบูชาพระพุทธเจ้าต่อไปอีก การที่พระเจ้าพันธุมราชราชทานแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ถวายไปเรื่อยๆจนคู่ผ้านั้นทวีมาถึงสามสิบสองคู่ความดูสิว่าพระราชานะมีผ้ามากมายแต่ไม่ได้คิดจะถวายบัดนี้พระราชาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วจึงถวายนี่เราก็จะเห็นได้ว่าตัวศรัทธาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสละความตนี เพราะมันไปเห็นคุณของสิ่งนั้นหรือของบุคคลนั้นว่าเขามีความดีอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรจะตีหนีของแล้วเราควรจะเอาของของเราไปบูชาความดีของผู้นั้นคือเห็นคุณของบุคคลนั้นเน่ยเช่นพระสัมมาสัมพุทธามีเหนือกว่าตนเองมีเหนือกว่าคุณของตนเองอหรือพระราชานี่เห็นว่า คุณธรรมคือความเสียสละและศรัท ธ, ธาของพราหมณ์บุตรนั้นเนื้อว่าพระองค์จึงได้เอาผ้าไปให้เพราะฉะนั้นก็ถวายอีก32คู่ทีนี้พราหมณ์คิดอีกครั้งหนึ่งว่าที่เรากระทำเช่นนี้ดูคล้ายเป็นทานองว่าอยากได้ของให้เพิ่มมากขึ้นจริงๆไม่ได้อยากได้ของเพิ่มมากแต่เพราะอำนาจความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสจึงสละ บูชาแด่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องการให้คนเข้าใจผิดจึงหยุดขอรับผ้าไว้เพียงสองคู่คือเพื่อตัวเองหนึ่งคู่และเพื่อนางพรามณีภรรยาอีกหนึ่งคู่ส่วนอีกส0บคู่ได้ถวายแด่พระวิบัติสีพระพุทธเจ้าพระราชาก็เลยหยุดถวายนะก็น่าแปลกพระราชาน่าจะถวายพระพุทธเจ้าบ้างนะเพราะว่าก็มีผ้าเยอะแยะ แต่นี่ก็เป็นด้วยอำนาจบุญนะด้วยอำนาจบุญของพราม์นั่นเองด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมาความคุ้นเคยระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพราม์ก็มีขึ้นเพราะว่าพราม์ทำสิ่งที่มาหัตสจรรัน์คนอื่นเขาไม่ทำพราม์ผู้นี้ทําวันหนึ่งพระเจ้าพันธุมาราชเด็จไปฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฤ ด, ดูหนาว ก็ได้พระราชทานผ้ากำพลแดงอันมีราคาหนึ่งพันอันเป็นผ้าที่พระองค์ทรงใช้ห่มแก่พรามนั้นด้วยมีพระราชดำรัสว่าจำเดิมต่อแต่นี้ไปพรามจงห่มผ้าผืนนี้มาฟังธรรมะเอาไม่ใช่คุ้นเคยเฉพาะพระพุทธเจ้านะคุ้นเคยกับพระเจ้าพันธุมรราชด้วยเพราะว่าพระเจ้าพันธุมราช